การแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ตามสแสวงหาพระอรหันต์ก็ตามสแสวงหามรรคผลนิพพานก็ตามอย่าไปสแสวงหาที่ที่มันไม่มีสแสวงหาในตัวเรานี้ให้เราทําความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอนี่แหละจะรู้จะเห็น หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภพระพุทธองค์ท่านเคยตัสสอนไว้ว่าการแสวงหาที่ประเสริฐที่สุดนะคือแสวงหาความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บและความไม่ตายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในตัวเราแสวงหาที่ตัวเราเราจะเข้าใจถึงชีวิต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 เราจะสแสวงหาพระอริยะเจ้าไปเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งอื่นบุคคลอื่นเนี่ยรับหลอกอาจจะไม่เจอของจริงนะพระอริยเจ้านั้นหาได้ที่ตัวเรานะจะเป็นของจริงเราจะมีความมั่นอกมั่นใจวันนี้ละพระอริยเจ้ามีจริงถ้าไปดูภายนอกอาจจะถูกหลอกก็ได้ต้องดูที่ตัวเราชีวิตของเราความรู้สึกของเรากายจิตของเราที่เรายึดมั่นถึงมั่นอยู่นี้ละ เป็นของเราของเราเมันมีจริงไหมเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าเรามาัคขับบรรชามันได้บ้างไหมตรงไหนบ้างมีทุกข์หรือมีสุขมันเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงดูลงไปให้ชัดๆให้รู้ชัดสิ่งเหล่านี้ที่ตัวเราเนเรื่องชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราบ้างเป็นเรื่องตัวเราเลยก็ว่าได้ชีวิตเนี่ยมีไว้เพื่อการเรียนรู้ รู้จักชีวิตให้เข้าใจชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องหมดปัญหาชีวิตไม่ใช่เรื่องการต่อสู้แต่เป็นเรื่องการเรียนรู้ให้เข้าใจเราจะเรียนรู้ชีวิตได้นั้นต้องเรียนรู้จากความทุกข์ทุกของกายทุกของจิตที่เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละเรียนรู้ทุกมันก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ความสุขทั้งหลายจะหาได้จากความทุกข์ ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยอนนี้ความสุขที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรารู้จักตัวเรารู้ทันตัวเราเมันก็จะมีความสุขไปเองพระอริยเจ้าทุกรูปทุกองค์ท่านก็พ้นจากทุกได้ก็เพราะว่ามารู้จักทุกทนในเบื้องต้นของชีวิตของท่านน่ร้วนแต่มีความทุกบีบขั้นท่านยิงออกสแสวงหาทางหลับทุกนับตั้งแต่ พรจะพุทธเจ้าเป็นต้นจนกระทั้งถึงอริยสาวกในรุ่นหลังๆนะก็เดินทางสายที่เท่านั้นทําให้เขา้าใจเรื่องความทุกข์เหตุของความทุกข์และความปนทุกและวิธีการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็เลยรู้ได้จากตัวเราเป็นเรื่องของเราแท้ๆอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราความป่วยไข้อ้เ น, นี้สําคัญมากความป่วยไข้ซึ่งทุกๆ ท, ท่านเนี่ยย่อมมีอยู่คร เป็นเรื่องธรรมดานี่หละเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ง่ายๆเลยความป่วยไข้เนี่ที่จริงแล้วมันเป็นอยู่กับเราเป็นนา น, น, านก็ดีนะระบอลในแง่ดีดความป่วยไข้มาทำให้เราฉลาดยิ่งป่วยนานๆเนี่ยเราจรึงเรียนรู้ได้นานๆรู้อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดด้วยบางคนบอกว่าเออเขาเพิ่งรู้จักตัวเองเมื่อตอนเขาป่วยไข้เอง รู้จักตัวเองเมื่อตอนไปไหนไม่ได้นะเข้าใจชีวิตเห็นสัจธรรมของชีวิตเลย ย, ยิมแย้มเจ่มใสไม่ยามป่วยไขย้เพราะว่าเริ่มรู้จักและเข้าใจตัวเองลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันนี้มีนะทำให้เราฉลาดีล้วก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้ความเจ็บป่วยนีมาจากอะไระเหตุมาจากอะไรเราจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็ได้การกินการนอนกาออกกาลังกายอาจจะไม่ถูกต้อง มางทีมวการเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นเรืออาจจะเจจากการควบคุมอารมณ์เรื่องของจิตใจอาจจะเป็นสาเหตุตื่นนอนมาก็ทุกข์ก็เครียดขณะทานอะาหารก็ทุกข์ก็เครียดการทํางานในเรื่องความทุกข์ความเครียดไม่มีความเพลิดเพลินแม ก, กระทั่งเวลาเราหลับก่อนจะหลับยังทุกข์ยังเครียดโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องความป่วยไข้แน่นอนเราเริ่มมองเห็นสาเหตุอาจจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง รู้สาเหตุของความป่วยไข้เราควรจะฝึกนะฝึกใช้ชีวิตอยู่กับความป่วยไข้ของทางด้านร่างกายโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันน่าฝึกนะตรงนี้เพราะแบบฝึกมีอยู่แล้วห้องฝึกห้องเรียนมีอยู่แล้วคือกายของเราเนี่ยเราลองมีสติอยู่กับร่างกายที่มันป่วยไข้โดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์น่าลอง เ, เราจะป่วยแค่นี้เราทนได้ไหม ถ้ามากกันี่จะทําอย่างไรใช่ไเราฝึกไว้าจากการป่วยไค่เล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยเนีย่นยว่ามันเป็นโอกาสดีนะโอกาสที่ทําให้เราเกิดปัญญาเล็กน้อยเราได้รู้จักว่านี่แหละโอกาสของเราแล้วเป็นเวลาที่เราได้ดูแลรักษากายของเราอย่างเป็นที่เป็เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเจ็บไข้เรศป่วยแล้วเราต้องรู้จักกดขด เราอดทนเดี๋ยถ้ากว่าเราได้ปฏิบัติธรรมนะอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายฝึกความอดทนความอดทนความอดกลัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยว่าอดท น, นแล้วก็ต้องรู้จักทนได้ผมได้เคยพูดไปแล้วว่าเราจะอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างไรบ้าง แนะนำวิธีไปแล้วหลายครั้งเรื่องของการวางจิตวางใจอย่างไรเมื่อร่างกายมีความทุกข์เคยพูดไปแล้วอาจจะใช้วิธีการบริกรรมก็ได้หรือสวดมนตร์ร้องเพลงทำจิต ท, ทำใจมันสดชื่นวิธีการสมาะิมันถึงทำสมาธิเพื่อกดข่มทุกขเวทนาก็เคยแนะนำไปครั้งหนึ่งจำได้ได้ไหม้าพูดเอาแต่ว่า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 แล้วเครื่องมือรักษานั้นก็ช่วยได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นแหละแล้วก็ทำนาทีช่วยกายอาศัยบุคคลอื่นอาศัยเครื่องมือแต่พระานจิตใจนั้นเราต้องทําจิตใจให้สบายในเรื่องของผลการรักษาด้วยต้องวางจิตวิญญให้สบายๆในผลการรักษาที่จะเกิดขึ้นหลวงพ่อจาท่านก็ได้บอกไว้ว่า เมื่อร่างกายจะค่อย้ป่ยวยเราต้องวางใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอา <c ười> คือตอนนี้เป็นปกติอะ่ะหายก็ไม่เป็นไรไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็ได้ไม่หายก็ได้ใจจะเป็นปกติเนี่ยเป็นการวิจารณ์ใจแบบง่ายๆเป็นปัญญาใ้ซ้ำเราต้องวางใจไว้ว่ า, ย, วายอมรับความจริงสบายรู้จักยอมรับความจริงแล้วก็รักษาไป มอรักษาไม่หายหรือโครคภัยแค่เจ็บมันหายชาลงไปเราต้องยอมรับนะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับความจริงยอมมันเป็นไปสับ้างแม้ว่าเราจะรักษาไม่หายแล้วไม่ถึงว่ารักษาทุกวิธีทางมันไม่หายไม่ต้องตายแล้วก็ต้องยอมมันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมตายการรู้จักยอมยอมยอมม่ด้านจิตใจ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 เรามามีสติเกตนารู้ลงไปที่กายรู้กายเคลื่อนไหวเบาๆรู้แบบสบายๆแบบผ่อนคลายจิตแทนที่จะไปจับอยู่กับทุกขเวทนาแทนที่จะไปปุ้งสร้างปรุงแต่งไปกับความคิดต่างๆแต่กลับมาตั้งรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายอย่างรู้เ ร, รู้ตัวนะจิตมันจะเริ่มวางจากทุกขเวทนาได้บ้างแล้วมารู้กาย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 กายก็ส่วนหนึ่งทุกทางกายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเราจะเริ่มเข้าใจทุกทางกายมากขึ้นทุกกายไม่ใช่เรื่องของกายเราเริ่มรู้ทันในทุกขเวทนาทางกายแล้วที่มันแทรกเข้าไปในกายเราเนี่ยคนส่วนกันนะความเจ็บความปวดเนี่ยเราเริ่มรู้เท่าทันความเจ็บความปวดมันจะเริ่มแยกได้นะอันนี้คือกายอันนี้คือเวทนาบางทีมันเกิดความคิด คนเรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ป่วยเฉพาะร่างกายเนละจิตใจก็พลอยป่วยไปด้วยป่วยเพราะคิดปรุงแต่งหลวงพ่อเทียนบอกว่าทุกกายทุกอิดทุกของรูปทุกของนามเนะี่ยทุกของจิตเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งนะเป็นทุกของนามเนะีเราต้องมีสติรู้ทันในการปรุงแต่งโอ้มันปรุงคิดมาแล้วเนี่ยมันช่วยเติมให ทุกเวทนาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะความคิดนี่เองอ๋อเจ้าความคิดวิตกกังวลกลัวกลัวมันจะเจ็บมากกว่า น, นี้กลัวมันจะไม่หายบางทั้งกลัวตายเลยพอสุดท้ายไปกลัวตายนะนี่มันเกิดจากความคิดตรงนั้นนะ่ะเป็นนามทุกขมันจะรูปทุกอนะไรคือนามทุกคือทุกทางจิตทุกเพราะอาการของจิตใจ สติรู้ทันในความกลัวในความคิดความไม่ตกกังวลความสับสนวุ่นวายในจิตใจความท้อแท้เบื่อน่อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจทางนั้นเป็นอาการของจิตทางนั้นสติเนี่ยเราก็วางจากกายวางจากทุกเวทนามารู้ที่ความคิดรู้ที่จิติตใจถ้าจิตใจเราเนี่ยเรามีสติคอยระวังรักษาไม่ปรุงแต่งไม่ต่อเติมความคิดให้มากมาย ทุกเวทนาทางกายจะอยู่ในระดับที่เราทนได้นะที่เราทนไม่ได้เพราะว่าโอ้มันไอความคิดเข้ามาปรุงแต่งทุกทังกายทุกทงกังจิตเลยมันจึงอยู่ในเพราะวะที่ทนไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันการปรุงแต่งซะบ้างทุกทางกายจะอยู่ในระดับที่เราทนได้แล้วก็ใช้สติเจืนสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยๆจะเกิดความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันไปเรื่อย รู้แบบเป็นผู้ดูนะรู้แบบแยกแยกแบบดูดูทุกส่วนหนึ่งรู้ส่วนหนึ่งเนี่ยแค่แยๆกๆอย่างนี้แหละเหมือนอย่างเราดูผู้อื่นดูผู้อื่นเขาป่วยเขาไขา้ดูผู้อื่นเขาทุกข์แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ทุกข์เสีเองนะเป็นเพียงแค่ผู้ดูผูู้้เท่านั้นะอาการเราเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจเมื่อเราอยู่ในภาวะผู้ดูภาวะผู้ดูจะเกิดขึ้นในนั้นต่อเมื่อเราจเจริญสติในรูปแบบมากๆ ขย้นตัวติดในรูปแบบมากๆเราอาจจะเห็นชัดเจนเห็นกายกหจิตเห็นจิตชัดเจนกว่านี้อาจจะเห็นว่าเออกายเนี่มันก็คือผู้ป่วยนั่นเองกายคือผู้ป่วยใช่ไหมจิตคือผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นญาติคอยดูแลผู้ป่วยให้เขาดื่มน้ำให้เขาทานยาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขา <c ười> จิตทาหน้าที่ผู้ดูแลสติปัญญาเนี่ย จะทำหาที่นายแพทย์ใหญ่คอยคำแนะนำคอยตัดสินใจคอยกำลังใจคอยชี้ขาดบ้างนะคอยสอนจิตสอนใจให้ดูแลกายให้ดีนะสอนผู้ดูแลให้ดูแลผู้ป่วยให้ดีนะกายเป็นสมันผู้ป่วยจิตใจเป็นสมันผู้ดูแลสติปัญญาเป็นสมัอนนายแพทย์ใหญ่อาการเหล่านี้จะเป็นสภาวะธรรม มันจะไม่ใช่ตัวเรานะจะไม่มีใครป่วยจะไม่มีใครดูแลจะไม่มีใครเป็นในแพทย์เป็นเปลี่ยนกระบวนการของธรรมชาติที่เขาทําหน้าที่เขาอย่างนั้นเห็นไ่มเนี่ยเมื่อเราเจริญสติมากๆจะเกิดปัญญานะจะรู้จักธรรมชาติความเป็นรู้เท่ารู้ตันนี่แหละคือการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองศึกษาความทุกข์เรียนรู้ชีวิตได้จากความทุกข์ก็จะรู้เท่าทันแล้วก็จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ไปในที่สุด